ยังค่ะให้สบายนะก็จกักตามสงบลงไปในเม็ด อ, อยืางดอางหนึ่งเวลาคุ้นเคยเรียกว่าคำนาวนาทสัก5้านาทาีสิบนาทีนะโอกาสนี้นะ ก็เป็นวันที่เราได้มาไปรวมกันในการเฉริมประกรราฐานก็ตรงกับวันเสาร์ที่ยุ่สุดเจ็ดพฤศจิกายนสอนพันห้าร้ยสี่สุดเกดรู้สึกตัวไหมเวลาเราต้องการตามสุขเนี่ยมันเป็นภาระ มันเป็นของหนักมันมีอุปักรคและอุปสกรคไม่ได้มาจากที่ไกลมันอยู่ ใ, ใลกล้ๆตัวเรารละถ้าจะเป็นสิ่งที่เมาอยู่กับมัตนตลอดเวลามันเปอุปักรคใหญ่ยยหลวงได้เหมือนกับคนที่เข้าไม่มีร่างกายแล้วิตไม่มีอุปักรค ที่จะคอยขัดสต่ ใ, ให้ท่านต้องมีความเฉลิมชัยหรือต้องคอยบังคับคอยซูนคอยวิธีาำใจของใจให้เป็นสุนะแม้จะเสื่อมวนาชีหนึ่งก็เป็นของยากมันเป็นความจริงที่เธอได้เห็นด้วตัวของเธอเองแต่เราไม่ต้องการความสุขนะเมื่อช่ายต้องการความทุกเราต้องการให้ติดเขาเราสงบนะ ไม่ใช ja, ่ต้องการให้จ umm. ุดตรงทราบอยากร่างการให้ใจของเราเป็นอิสระสบายตรงไม่เช่จุกการบุนงงงงเหงาเหานอนจุกร่างกายระบุกขันเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทรมาตรงนี้นเต้องหันมายอมรับความจริงมันก่อนก่อนที่จะทําสมาธิเพราะถ้าเตะบันเทวร์ศูนย์ ในสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ทาให้จิตของเราสงบไปนะัเวลานี้ตามที่ใจเราต้องการเธอก็ต้องเข้ากับอุประรัอย่างอย่างมาหันหมายถึงว่ามันจะต้องฝากเราอย่างหนักพุทธานากรสินะนจิใจพุทธานากรยอมรับมันก่อนเว่าถ้าเราไม่มีมันคือไม่มีร่างกายเราจะเป็นศพมากกว่านี้ไหม เ้าจะทำอะไรตังดังที่ใจเราต้องการได้ง่ายกวนี้เยอะไหมถ้าการที่มันยังมีอยู่อย่างนี้มันดุฆ่าเราแบบนี้เราจะทำยังไงกับมันฆ่าหรือมันก็ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายได้คนอื่นเขาฆ่าเรารือแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาลำบากใจแล้วก็เป็นบาก ต้องทนไปอีกนานแค่ไหนก็มไม่มีใครตอบเราได้ในเวลานี้เราได้จะบอกกับตัวเราเองว่าเมื่อไหร่นาะเมื่อไห่เราจะได้ไ ม, ไไมไีไม่ต้องมีอาร่างกายมาคอยเสียแทงเรามาคอยเป็นนายเรามาคอยที่ทําให้ใจของเราไม่มีอิสระเมื่อไหร่วังไหนจะเป็นเวลาไหน จะเป็นที่ไหนก็ไม่สำคัญขอสิ่งนั้นจงได้มาปรากฏกับเราเดี๋ยวนี้เถิดเราจะเกิดตามดีใจมากถ้าเครรู้สึกกันอย่างนี้แล้วก็ยังเปินกำลังเข้าถึงความมั่นคงที่องค์สมเดพระพุทธสุภคนมรณาศาสตราสัมมาสัมพุทธเจ้า เราสั่งสอเราเองค์สัพพะจันญะได้สนใ จ, จด้วยว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของของเราที่จงตร์ยังนึกเพราะอะไรเพราะถ้าเราเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเสริ่มข้อจงใจเสริญความังครับมีความพบมากกว่าปกติ ถ้ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของของเราเราก็จะจะไม่มีทุกข์ในว่าคนทุกข์ในสิ่งที่มันเสียแผงเราแต่ใจเราก็จะไม่รู้สึกไปทุกข์ร่วมกับมันเพราะมันไม่ใช่ของเราเสแล้วมันก็ไม่เรื่องปล่อยมันคําว่าชั่งมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายถ้ามันไม่ใช่ของของเรา ประโยชน์นี้เราเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วในเวลาเราพิจารณาในกดของคำว่าธรรมดาอาจจะเป็นศัตท์โดยดีพูดหน้าฟังแต่ก็ไม่ยังให้ใจสองใจเข้าสิงแต่สิ่งที่เราเป็นอยู่ณนะตอนนี้เธอนมาจะถึงมันถึงความจริงที่ว่าโดียสิเราอยากสงบ โดยที่เราอยากจิตสะทองเท่าโปรง่งสบายโดยที่เราอยากจะเข้าถึงความดีของพระพุทธไตรตามที่ใจเราต้องการเราอยากจะนิ่งสว่างมีอารมณ์โปรง่งอยากจะฟังอยากจะรับรูอ้อยากจะได้ปฏิบัติเพติดก็ลราหลุดพ้นนั่นเป็นตามตั้งใจของเราจริงๆแต่เจ้าสังขาร่างกายมันไม่เอื้ออำนวยให้เรา ทำได้ตามที่เราต้องการแล้วไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าจงจฏิบัตมันไม่ใช่ของของเรามันไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเป็นตัวเราเป็นของของเราจริงมันก็ไม่เป็นแบบนี้เราต้องบังคับได้เราต้องสูนให้เป็นดังใจของเราได้ เราอย่ากให้จิตเราตรงมันต้องตรงสบายเราอย่ากให้จิตเราสงบมันต้องสงบโดยทันทีแต่นี้มันสั่งไม่ได้มันบังคับไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าจิตมันทําไม่ได้ไปจำได้ น, นะเม่ใช่ว่าจิตของเธอไม่สามารถที่จะทําตา ม, มที่ใจของเธอต้องการได้ เรื่องิตจิตเนมันถูกบูดบังคับดูดบังคับมาจาับภาพผันยิ่งกับร่างกายนี่เองมันดูดบังคับร เ, เราจงเสียตั้งท่าไม่ติดตั้งตัวไม่ผันต้องรู้สึกทรมานและอึดอัดใจกับมันที่มันดูดขังจิตใจของเ ร, เราหาความสงดสุขไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีมันแล้ว เราอยากสนุกก็ต้างสงกได้มันเป็นของงา่ายเราอยากสนุกก็เป็นของเราก็สนุกใจท่าเราได้มันเป็นของงา่ายไม่ยากที่เราไม่ยากเพราะอะไรถพาใจมันอยู่ในที่ที่มันโปรงสบายอยู่ในที่ที่เป็นกุศลแต่ถ้าใจเราไปอยู่ในที่ที่เป็นแดนอ ก, ก, ะะกุศลกรรม ดังนั้นมันไม่มีส่งที่ิดตรงอยู่แล้วเหมือนเช่นสัตว์นรกตัเตี้ยตัวอ่อนรกายอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นท่านที่เสวยผล ข, ของบุญที่เป็นเจวาดานังฟ้าถ้ามีความโปร่งความสบายจะสาม า, สารถปราบปนาความสงบท่านก็ต้องทำได้ตามวิ่ใจของท่านต้องการ ถ้าท่านต้องการจะรู้อะไรมันก็เป็นเ่อ่่อาเราเมตท่านก็ต้องมานั่งปัญญาสมาบัติให้เกิดญาณประการยังรู้ในอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ักษากรรมวิตียานี่วกัฎของกรรมรู้กัท่านว่าเกิดมาจากไหนตายและไปไหนจิตตปาฏิ า, า, ารู้ ก, ก, ก, กทึกชาติและชาติ่แล้วเคยเกิดเป็นอะไร หรือก็เท่ากับคนเวลานี้กำลังอยู่กันที่ไหนเป็นอย่างไรสึกทุกกันแบบไหนนั่นท่าจิตของเธอไม่มีร่างกายเสียแล้วและสะวยอยู่บนแดมที่ดุกบนสิ่งนี้ไม่ต้องสึกผลจิตของเธอมีเองปรากฏเองจิตข้งเธอสามารถจะประทานสิ่งได้เองนั่นเนื้ออย่างจิตกับตาย ถ้านะเธอต้องจําเลยนะเให้ดคือความสามารถของจิตที่เธอมีอยู่และจนของเธอนี้ไม่มสามารถจะด้วยคิดคว่คนอื่นเขาได้ทําอะไรทําไม่ได้ไม่จริงหรอกทําได้ทุกคนถ้าจิตของคนทุกคนมังตั้งใจที่จะคิดตั้งใจที่ตาา่อสันาตั้งใจที่จะกรทะทำในสิ่งที่คนต้องการ มันสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่ถ้าเวลาที่เรามีร่างกายมันเป็นของยากต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนอย่างสูงต้องใช้จิตที่มีความหนักแน่นแน่วแน่ต้องค่มจิตค่มใจตัวเองอย่างมากถ้าร่างกายมันกระตบกระต่ายแรงๆจะไหวไหมขณะพ ร, าา ร, ระอรหันต์ยุทธมรากเนี่ยหลวงพ่ออัดเสกเสื ท่านังรัร่างกายที่มันเสืยดแทงท่านไม่ไหวทำให้จิตของท่านกระสับ ก, กระสายคิดว่าความดูที่ท่านถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเสื่อมดูอาเถนะไอ้เจรร่างกายมาร้ายไหมขณะจิตที่ถึงมความดูในโดยรู้สึกน้อยความเป็นพระอรหันต์แล้วคือผู้ที่ปราศจากกิเลสปัญหาแล้วยังต้องโดนอํานาจแห่งร่างกายสุตธาตุผลบุตรั่นให่าต้องชงสมซานกระสับ ก, กระสาย คณใจให้อยู่คงความสงบไม่ได้ให้มัสมมนงงสงบไม่ได้คุณไม่จิตใจของท่านไม่ไาเริงแจ่มใสไม่ได้คณความคิดที่เพิงเคยคิดได้มีความสุขไม่ได้นี่ไม่ใช่เล่นแกล่ะจะมันคือความจริงที่เราต้องอยอมรับถ้าเจอด้นางพระเดชชนหลวงพ่อพระราชบรมยาณเจริญพ่อของเรานี่ที่เพิ่งเคยตารบ ถึงไอาเจ้าสังขารร่างกายที่ดุขันธ์ทนหนักขณะท่านไม่สามารถจะยกจิตกังท่านเปพระ น, นิพพานได้ตั้งสามวันสามวันมนต์เนี่ยทุกร่างกายมาเสียดแทงทรม า, จา น, นจนน้ำตาต้องไหลลมออกมาท่านไก็ได้อยากไหลแต่มันเสียดแทงมากมันดูดบังคับจิตมากจนจิตที่ท่านเคยส่งตัวได้ดีก็ให้สามารถจะทรงตัวได้ดี จิตเคยผงไสก็ไม่ผ่องใสจิตสามารถจะเคลื่อนจนิพพานได้ก็ไม่สามารถใจนิพพานได้ต้องยอมรับหมนะต้องยอมรับว่าสตูอร้ายกาศไม่ใช่หยดไกลตัวเธอไม่ใช่ใครเลยไอ้สังขาร่างกายที่เราได้อาศัยมันอยู่นี่เองนี่คือความจริงที่ตัวจะต้องพยายามเห็นมันเพื่ออะไร เมื่เราจะได้ไม่ไตากตกับไอสิ่งที่ไม่ชอบของของเราและไเมือมุ่งหมายกับมันไปทุบกับมันทุบแล้วทุบอยู่แล้วนะถึงพระอรหันต์ก็ไม่เคยทุบก็ทุบอยู่แล้กับร่างกายหากท่านยังทําใจไม่ได้เสียฟาไปอาหันไม่เกิดขึ้นกับใจท่านต้องทุกหนักเมืางคนตกสามัญธรรมดามากสุดไหมแต่ถึงขนาดนั้นเถิดถึงท่านจะเข้าถึงนขึ้นฟาาเป็นพระอรหันต์้วก็ตาม ความทุกมันจะไม่ได้ส่งคลายไปจากคนธรรมดาที่เป็นอยู่จี่ตกเสียแทนเหมือนกันแ ต, ตอ่อาการกระสับกระสายของจิตอาการหี่ร้นของจิตอาการที่พยายามที่กระเสิรของจิตไม่มีอยอมรับโดย ด, ดุษฎีอย่างไม่มีข้อลังเกียจสงสัยมันเปนเรื่องของมันไม่ใเ่เริ่งของจิตท่าน มันจะเป็นของกายที่มาเจอของท่านท่านไม่สนใจมันจะประดิบขั้นดิบจิตขนาดไหนก็ท่านมันแต่เมื่อยันตายพระพุทธศาสนาพระคุณก็บอกมึงก็โก้ต้องจากกันอย่างสะใจคาว่าอะไรอาวรกับมันละไม่มีแน่คาว่าจะรู้สึกจะได้สักพิษหนึ่งมีเยอะใหญ่กับมันละไม่มีหรอกอยู่กับขาดสะบั้นกันแน่นอน ดังนั้นกำลังใจที่จะต้องคิดก่อนนั่นทงทำสมาธิก่อนที่จะจะเข้าสู่ควาสมสงบจะต้องหันกลับมาหาความจริงสิ่งนี้ให้เห็นชัดอย่ า, นะ า, ท, าทิ่งนะครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาแบบนี้ก็จรงของท่านจะเคลองทําตามดูวนะ่าจริงไหมใจเราว่ามันจดการด้วยอารนไปแล้วเนี่ย มันจะหาตามสับได้ดีกว่านี้ไหมหากว่าร่างกายมันเสจ็บแทงหนักๆเราจะทํายังไงลองนึกนะว่าถึงเวลาที่ร่างกายมันเสจ็บแทงอย่างหนักร่างกายจะโรคอย่างรแรงมันเจ็บแทงทุ ก, ทกทจกุดตั้งแต่ปลายเส้นผมมาเลยตั้งแต่หนังผมหรือหนังหัวหนังที่รษะของเราจริงๆฝ่าเนะท้าเนี่ยแค่จะหาจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่มีการเสจ็บแทงหรือเจ็บปวดเลยทั้งภายนอกและภายใน ร้อนระอุมาท่าไฟแตกอาการบุขันย์อย่างรุนแรงมาร่างกายมันจะระเบิดพวกคาากกุณขณะจับก็เป็นจิตใจของเราอย่างกระสับกระสายในขณะที่จิตมันกําลังโ ด, ดงนร่างกายดุขันย์เหมือนเรือทีต่ตกขึ้นกระเทาะคนที่อยู่ในเรือก็ใส่ไปใสามา จ, จะต้องให้เรายอมรับความเป็นธรรมดา เราเป็นเรื่องปกติของมันสร้างมันมันตายที่เดียดรี้สูดเราจะได้พ้นจากการบุกคันมันจากไหนสักทีถามว่าจิตตอนนเราจะเศร้าหมองไหมไม่เศ้าหมองตอนให้นำเบิดหนักขนาดไหนมันจะเพ่ใจเราให้ความหมายเสียแทงเพียงใดมันก็ได้ทําให้ใจของเราเศ้าหมองแม้สากยึดแต่ถ้าเาไม่กลับมาคุ้นคิดยอมรับนักถือตามเป็นธรรมดาของมัน ที่เราตา้องมีในใจก็คอความเศร้าหมองทั้งๆความเจ็บปวดมันก็เข่าเดิมไม่ลดยาวาสอไกเลยถ้าอาาย์จะเจ็บทรมานขนดชื่อเดียตกไปหลวงพ่อท่านอธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังเจ็บถึงขนาดนั้นเพื่อภายในร่างกายของท่านตั้งแต่ปากองไปถึงท้องมันดำไปหมด ตนนื่นตั้งเล่าก็เจดวดทรมานแล้วสหัสากันไายก็ข่าวไม่ออกทรมานขนาดไหนถ้าจิตของท่านไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริงท่านคงกระสับกระสายมันน่าให้เธอรับแขยิ้มให้ตัวได้เห็นไม่ได้ขนาดท่านต้องแบบร่างกายของท่านเอามาเป็นประพานให้เธอได้ไหวได้มองได้เห็นความเนจริงในวาระใกล้จะสุดท้ายในชีวิตของท่าน ต่างคนที่อยู่ณเวลานั้นก็จะเห็นสภาพสังขาอนนรอานาจสะพึงกลัวกลัวและกลัวกลัวใจท่านจะจะก็จะพุกเดือดเจนทรมานแลือเกินจนบางคนไม่สามารถจะกั้นน้นตาให้ไม่แอบไม่ให้มันออกมาได้ด้วยความสงสารจับจุดจับใจในอาการที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อกํลาลังทรมานอย่างหนักแต่ท่านก็ยังมีน้ำพระเมตตา ยังมานั่งเป็นประธานให้เคยด้วยความเบื่อทำทานตามหน้าที่ของท่านอย่างเป็นเิสัยหน่อยและไม่เคยเลิกสุจภาระอย่างนั้นมันทําให้ท่านพอที่จะไม่ทําต่อไปตราบใดที่ลมหายใจท่านยังมีภาระที่ท่านตั้งใจที่จะกระทำเพื่อคนทั้งหลายไม่ได้หมดสิน้นจากใจของท่านท่านยังคิดที่กระทำอย่างนั้นตลอดเวลา ที่เขานเรื่องของพระเดชคุณพ่อมานน่าให้เจริญฟังก็จะเป็นตัวอย่างให้เจริญชุติและเดวอสีพระอารหัมนะยังไม่สามารถจะพ้นไอ้เจ้าร่างกามันดิทคันนะดัน้ไม่ว่าใครไม่ใช่แค่เราแต่ทุกๆคน ต้องโผลร่างกายดือดขันเหมือนกันหมดไปวนสักคันสักคนเดียวแต่ทำใจได้หรือไม่ได้โดยก็ะุกมันเดุเอดขันวันอย่งคันเดือดจนตัวเอไม่สามารถจะอยู่กับมันได้แต่ถ้าว่าถ้ามันเดุอดจนเราอยู่ไม่ได้เราโชคดีไหมเราก็ต้องตัดเลิกจำจนตกจนแต่ว่าโชคดีที่สุดนะที่มันให้เราไปจากมันชี้ จีจะ ต, ต้องอยู่กับทรมานกับมันเด็กกักให้เราขังเอไาไว้เจ็บรามันไว้ยังไม่สะใจไอ <Okay. S 1> ้จะกรรมในเวรบ อ, อกยังไม่สะใจยังตายไม่ได้ให้มันทรมานหนักหนักให้มันเจ็บหนักหนักให้มันปวดหนักหนักไอ้สมกับสิ่งที่มันทํากับผันไว้นี่ใจจิตกรรมในเวรข้าพยาบาท ก็เห็จะต้องเ ป, เป็นแบบนี้กระมังเจอกั น, นทั้งหลายฟังไว้นะว่าการจระพฤติปฏิบัติในการชี่มีร่างกายเป็นของยากมาเป็นภาระอันหนักของจิตจะจะหวังคิดว่าเป็นอย่างนั้นจะต้องทําได้อย่างนี้จะต้องสงบอย่างโน้นอย่าไปหวังผลจนหวังผลจัดตามยาบรักนับถือ จงอย่าวังผนจากความสงบจากสิ่งชื่เราเคยสงบสบายจากสิ่งที่เราเคยโปร่งจ่มใสจะ่าไปหวังว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นจงหวังอย่างเดียวว่าแค่เราเจ้เข้าทันมันแล้วก็ไม่ทําอาการของจิตที่จะไปปฏิเสธตูนตามเป็นธรรมดาของมันก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติ เชื่อฟังคำสังสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ลังเลสงสัยแค่ขนาดจิตหนึ่งนังกเวลาหนึ่งที่เรานั่งก็ดีเดินอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีวันนอนอยู่ก็ตามนักขนาดจิตนั้นเวลานั้นที่จะคิดได้เคยเห็นที่ได้ฟังพุทเป็นแค่ชัว่ววินาทีเดียวแต่มันจะไร้ค่าดังมีค่าอย่างมากเพราะมันคือควารู้สุกที่เกิดขึ้นจากใจจริงๆ ไม่ใช่ติดตำราไม่ใช่มาจากการฟังเขาพูดไม่ใช่มาจากการศึกษาหาความรู้จากที่ไหนไหนแต่มันเกิดจากคารรู้สึกภายในใจของเราเองว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าขชาต น, นี้ของจนมุดเพีงครั้งเดียวในชีวิตเชืวว่อหัวลับลิ้นหรือว่าเชื่อฟังกระดิกหูยิ่งเยอ ในข่าวต่อต่อไปเด้งหน้านลลเมื่อวาระบนเชื่อเคยกระทํามันมถึงพร้อมอจะพบองค์ส็จธรรมสามผู้เจ้าเจทาหรือพบท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นคุกหักของเธอได้สแสดงแห่งทางตามเป็นจริงในข้อที่เธอได้เคยคุ้นคิดจิตของเธอก็จะเด็ดพ้นจากกองทุกข์เป็นพระอรหันต์ได้อย่างง่ายดายมันจะเริ่มที่พระผู้เจ้าดะแสดงพระธรรมโปปนาเอาไว้ในที่สุด เรือ่องของท่านเป็นโทรพาระสวสะสัสดิระจันชื่ อ, รรอท่านไม่ผิดนะคืว่าสมัยท่านเป็นจกรจักรท่านออกตรวจทะว่าตะตรวจกันรอบเมืองขี่บนหลังช้างมันก็เหนือยออกแบบมันร้อนมันเหนื่อยท่านออก็เอาข้าวขาวมาเติมร่างกายของท่าน ว่าผ้าขาวขาวมันเกิดดำครั้มสกปรกจะไปพิจารณาร่างกายอะไสกปรกขนาดนี้เลยแค่นี้เองนะแล้วก็ม่พิจารณาอีกเป็นการพิจาอการยอมรับเห็นจริงๆไม่ได้ฟังมาจากใครเพูดไม่เกิดขาสจะอธิบายว่าร่างกาและสกปรกอย่างนั้นสกปรกอย่างนี้น่าอิจิตอย่างนู้นไม่ใช่แต่ให้มันเกิดจากใจของท่านชัดๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ยอมรับโดยไม่มีควาว่าปฏิเสธหรือ ว, ว่าลังเลสงสัยผมที่ใจของท่านยอมรับในขณะชาตินะั้นมาในชาติสุดท้ายพ้าทั้งใจเอาผ้าขาวให้ท่านกลึงไปกลึงมากลึงไปกลึงมาปรากฏว่าผ้าขาวนั้นก็ค้วไม่สตกโผโครท่านก็พิจารณาร่างกายตามคำสั่งสอนขององค์เทพดา จ, จอมไตร า, าริากสดาจะเนลกเป็นพระอรหันต์ ตระกายใจไหมนั่นการที่เราเห็นมันจริงๆสิ่งที่มาทำให้เราทุกขไม่ใช่เป็นของไม่ดีสิ่งที่เราเจอะ เ, เจอมันจริงๆแล้วเราอยอมรับมันโดยจริงๆไม่ใช่อยอมรับนับถือจากใครเขาพูดใครเขามานั่งอธิบายพูดให้เราฟังเขาพูดจริงเราฟังก็ว่าใช่จใจเพราะเราติมันไม่ถูกดึงไปถึงพร้อมกับ ก, บการอยอมรับ โดยตัวของมันเองแล้วมรรคผลมันจะเกิดมาจากอะไรแต่ถ้าคราวใดไม่ช่วขณะสิบหนึ่งยเวลาหนึ่งนี่เราจะนั่งเดินยืนนอนอยู่แต่เรากลับดูความรู้สึกว่ามันเสียแทงเรามากที่สุดไอ้ใจร่างการมันท่างหน้าเครียดน่าขยักขยแยงถ้าเราพ้นจากมันไปได้เดี๋ยวนี้นั้นเราจะมีความสุขที่สุดเลยแล้วก็ไม่กลับมาหามันอีกเลยขึ้นตัวความตอใจคามตัวมนุษย์ ตามพอใจในก า, ก, าการเป็นเจ้าดานังฟ้าเป็นผมเราไม่มีใจติดใจกับมันอีกแล้วหมดสิ้นความพอใจอย่างเด็อดขาดจะเป็ตงตายเดี๋ยวนี้ฉันจะไปวิพาลพันธีพันธ์ใดแ้าเนี้ยความคิดของเธอเพียงแค่เนี้ยแม้แแแมันจะเกิดเป็นแค่โมลับลืมเป็นชัว่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งหายใจเข้ายังไม่ทันจะออก เป็นใหญ่นะมีผลมากสามารถทำให้ตน เ, เป็นลุกเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันได้ไม่ยากเลยเพียงแค่เป็นคารมรู้สึกนิกคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่มันถูกบิกคั้นเหมือนอย่างที่เรานั่งทําสมาธิกันตอนต้นๆและร่างการมันดิกค่ะเรามันทำให้จิตกองลราสงบยากความใจยุ่งยากให้กับตัวเราอย่างสูง แล้วก็กลับมาคิดพิจารณาตามที่พระองค์พระพุชินโนสีปรรมบานแปดาระดาตรัสสอนว่านี่ไงท่านว่าแล้วไอ้ดีละมันไม่ใชของของเราถ้ามาเป็นของเราจริงเราก็ต้องบังคับมันได้เกลีมันได้นี่มันเป็นร่างกายที่มันมีเนือร่ร่างที่มันเสี ย, าายสแทงเราตลอดถ้าให้เราสบายตอนนี้มันก็ไม่เคยชอบเยอะละถึงหน้าทีท่ทของมันยังทําร้ายเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับ หลันะ้นมันก็ยังท 10, 9, 9, 9, 10, 10. ําได้ติดเก่ากระับกรสายหันเลิกเด็กทำไม่มีตามเพอ้อแล้วก็ไม่สามารถจัดจิตเป็นสุขได้เลยแม้แต่เพื่อวิญาณีเดียวถ้ามันตกดเบด็มากๆมั น, ดดม น, ดดมนขึ้นขันเราหนักๆร่างกายไม่นากก่ากลัวที่สุดถูกไหมมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าเธอได้เห็นมัน แม้เธอจะยุดกับมันตั้งแต่ิดมาเนี่ยหลายสิบปีบางคนแต่เธก็ยังไม่เห็นมันนะักมันเป็นศัตรูที่ยอยู่ใกล้ตัวเธอมากที่สุ ด, สดและไปทําร้ายทําลายคว า, ามสุขของเธออย่างที่สุดไม่จุดใครเลยอย่าไปคิดว่าคนอื่นเป็นผู้ทําร้ายใจเราเป็นผู้ทําลายความสุขของเราและอยากคิดว่าคนเอื่นเป็นผู้ทําให้เราไม่ความสุข ทั้งสองกรนี้ไม่จริงเลยถ้าใจของเราไม่โปรง่งถ้าใจของเราไม่มีกุศลครอบคุมรักษาถ้าใจของเราไม่มี อ, อิสระจะเอาความสุขมาจากไหนเป็นไปไม่ได้แต่ให้เธอในกุรักจิตใกล้ๆถ้าจิตของเธยกําลังกระจัดกระสายคนใกล้ตัวเธอให้ความสุขกับเธอได้ไหมแต่ให้ขอโทษด้วยเสีงแพร่อ่อนวาน ถ้าเขพยายามทำที่อย่างจะืดอเดเก้ากลัวใจุดของเันโดยสงบแต่ถ้าย่างการลําบิดขั้นจงหนักหนักเข้าวกระสับกระสายคนที่ร่ำรักที่สุดที่เจอว่าเขารักไวที่สุดไม่เป็นอยูคนที่จดคิดว่าเป็นที่เพึ่งที่ละลึกทำให้จิตของโจมีความสุขที่สุดณนเวลานั้นเขาจะช่วยเธอเป็นสุดจริงๆได้ไหมแต่เมื่อใดก็ตามที่จุดของโจอเป็นกรธโส มันน้อนใจระดับนี้ถึงคามดีระลักนี้ถึงคนที่ทาให้เกิดเป็นสุขถ้ามีความสุขจริงอันนี้ไม่เขียงถ้าใจของเธอไม่เดอือดดิบทันแต่ถ้าใบใจของเธอเจอร่างกายเดือดทันต่อให้ร่างกายที่เธอกาลังทำทุกขเวทนามันจะเป็นอย่างไรก็ตามเด็กโด่มีใครเข้าอยู่ใกล้เอเออดต้เอเอาไว้ประคับประ ค, ระคองเธอไว้ในอก แล้วก็พูดสารพัดที่จะพูดออกไปด้วยวาจาอันแระ้อนาจ า, า, จาให้สบายใจแต่เวทนาน่ยมันของใครใจของผู้นั้นก็ไม่สามารถจะบังคับส่วนร่างกายของคนนั้นใหนระงับถือเวทนาใครตัวของไปได้เป็นคืนนองความจริงถูกไหมในความเป็นจริงจกิจดติตเดาไม่ใช่เกิจิตรินแร แต่กำลังมือศัตรูจะร่างกายกําลังทิ้นงแทงเราตลอดเวลาเป็นผู้ทําลายความส AH, ุขของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ใครดังนั้นเราจะไม่ไะสนกทจิตเจียนกคนใดว่าเป็นผู้ทําลายความสุขของเราไมาไปสนิทจิตเจียนกับสถานที่มาไปสนิทจิตเจียกับสิ่งในชีวิตเตองๆไม่ว่าเป็นคนเล้สึกมาไปสนิทจิตเจียนว่าจุลหเหล่านั้นเป็นผู้ทําลายความสุขของเราทำให้เราไม่มีความสุข เพาะ่อเขาดอย่างนั้นขาดอย่างนี้นอดไอ้นั่นอดไอนี่นแล้วเราก็มาดังโทษบคุคคลเหล่านั้นว่าทําลายความสุขของเราหรือกรโทรกระทั่งตัวเราเองว่าเราไม่ควรจะโยดที่นี่เราไม่ควรจะ เ, จเป็นอย่างนั้นเราไม่ควรจะทำไอ้นั้นไอน้นี่ที่ก็สแสดงว่าตะโกอยู่ใกล้ตัวโดยกลับตองไม่เห็นตักตับไอ้ผลโยกกรโดดมาเป็นตะโกทั้งๆที่เขาไม่ใช่ นี้จะต้องคิดบ่อยๆนะคิดอย่างคนที่ไม่ไว้กาะตราแต่คิดอย่างคนที่เจ็บณเวลาเนี่เราต้องจํามื่อมันจ็บขึ้นมาในกายเรากายมันขึ้นก็มาในใจเราแล้วเรารู้สึกว่ามันขับแค้นมันปิดอัดมันทรมานมันไม่ปร่งใจเราเลยทาให้ใจของเราไม่มีตามเป็นอิสระไม่เกิดเป็นกุศลในใจเราอย่างง่ายเลยนี่เราต้องมองแล้วว่าไอ้นี่ ไอ้นี่มันดั้งอยู่เรานะักมันเป็นศัตรูอันไล่กาดของเราโดยแท้ถ้าเราไม่มีร่างกายเส้ยตอนนี้เรารู้จะมานั่งวุ่นวายเราหรือจะนั่งมีจิตเป็นทุก์แบบนี้เาารากจะมีความสุขโดยวนี้จะตายไปทำไมเราจะหาความสุขไม่ได้ พอเห็นไหมเห็นเอเ็ดเตอร์ที่มันทำลายความสุขของเรแล้วหรือย่งังเห็นไม่อยังจับใจหรื อ, อยังว่าเอ็ดนี่ยังไงเป็นอะไรที่มันทำลายความสุขของเราทำลายให้ใจของเราเนี่ยไม่มีโอกาสมีอิสระเปนยังไงว่าทำให้จิตของเราไม่ตรงไม่เกิดบนแต่มันคอยทําให้จิตของเราติดอัดเศร้าหมอง ถ้าไม่เกิดบาปทำใอคติกลกกรรมมันเข้ามาครอบงำเราง่ายหยุดขั้นใจเราต่อเนื่องไปขาดสายและเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวอยอมรับนักถือต่อเป็นเรื่องธรรมดาเออมันเป็นเพราะมันวะมันทำให้ร่างกายจึงเป็นอย่างนี้ทั้งวันเพนะ่อะอคติลกกรรมหยุดทันทีเพราะเจอจิตแล้วจิตนี้ในใจของเธอคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเธอ จับเห็นว่าร่างกายนี้นไม่ใช่ของเธอไม่ใช่เจ้เธอท่านไม่สนใจมันแล้วช่างมันตอนนั้นอ ก, กุศละกรรมหยุดเข้ามาทำร้ายใจเธอไม่ได้ใจเธอกลับเกุศลผลและดุลที่ได้กระทํามาเนาะมีฤทธึกถึงพระพุทเจ้าพระธรรมพระ อ, อริยสงฆ์ขึ้มนมาอย่างจับใจเน้อมีฤทธิ์ึกถึงสิง่งที่ดีงามขึ้นมาในใจของเธอได้เวลานั้นต่อให้ร่างกายบิดข้ามหนักเทียงใด ก็ให้สามารถจะทําให้ใจของเจเลยต้องหวังไหวเฝ้ามองไปกับสิ่งที่มันกำลังทําให้เกิดตามเฝ้ามองเพื่อการปฏิบัติเจเลยจะต้องทําให้พ้นด้วยทําให้ถึงมังจนเป็นเหวใจที่กําลังปฏิบัติกันมาไม่ว่าจะพบกี่ชาติเวลาเจเลยจะตึ๊ดมาทึกปฏิบัติตามแนวทางพระกรรมฐานสายไหนกองไหนจะทําอะไร ความจริงมันก็คือความจริงที่เธอตั้งประสบและเธอก็ต้องการจัดสิ่งนี้ด้วยใจของเธอเองคนตนคาเล่จะมาช่วยหลือให้จิตของตนน่ะหลุดพ้นจากอกัสรกรรมหลุดพ้นจากแรงที่มีร่างกายมาเกี่ยวขังให้เกิดปรากฏผลทำให้จิตไม่มีความอิสระไปได้แล้วต้องตัว เ, นะ เ, เธอเองสุดไหมเพราะร่างกายอยู่กับเธอร่างกายไม่ได้อยู่ที่คนอื่ ไอ่เรื่องเสียแทมันก็เกิดที่ร่างกายของตัวไม่ได้เกิดที่ร่างกายของคนอื่นจเจ็บเขาก็เจ็่ตัวของนเธอคนอื่นเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้ทร ม, มานถึงเขาจะต้องเจ็บด้วยทรมานแต่เขาก็ต้องทําใจของเขาแยกตายกับเจ็บเหมือนกันถ้าแยกไปได้ก็คุ้มครั่งเครียหดหดงุดหงิสารมานจิตใจตนอะกเจียรไหม ต่อหาต้นเหตเหตทุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เสร็จไหมถ้าเราเห็นเหตุและลำดับที่เหตุพระพุทธเจ้ากระตัว่าทำใดเกิดใดเหตุพระพุทธเจ้ากระตัดเหของธรรมนั้นและาำดับขึ้นไปของธรรมนั้นพระพุทธเจ้ากะตัดอนิจจังสังข์เหมือนันหมด แล้วสิ่งที่พระองตรงเห็นและเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือร่างกายที่ทุกคนบ่นหลงว่า ม, มันตัวเราเป็นของเรามันทําให้เราถอดขอมันมันได้ยากเพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นตัวเรามันมาจากเหตุอตืนที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้นั่นไอ้คนนี้ไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้สิงนั้นตรงนี้ต่างหากที่ทําให้เราต้องเป็นทุกข์ แต่พร ะ, จ ะ, จะรมมพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ลูกสิ่งที่ทำให้กเป็นกไม่ใช่รคนไม่ใช่พระัตวไม่ใช่เพสิของแต่เป็นพระร่างกายของลูกเองเนั่นแหละทำให้ต้องเป็นทุกข์และถ้าลูกไม่มีร่างกายแล้วจะทุกข์แบบนั้นไหมจะเจ็บงี่ซานหมจะกระจัด ก, กระสายไหจะทรมานไหมเพราะถ้าาไม่มีร่างกายติดเราจะโปรสบายเนี่ยถามว่าจุดตรโรสบายเนี่ยเราจะคิดถึงอะไร เรื่องดีจะคิดถึงไะแเราก็ไม่คิดคิดนี่โกงเท่ไร่เราก็คิดถึงถึงสิ่งชื่อดีๆนำมาซึ่งความตกระลลายทั้งนั้นทุกคนจะอย่างนั้นเหมือนกันหมดต้องคิดให้เกิดตามเชื่อมั่นคลายความลังเลสงสัยที่ให้สึ้นนะในข้อธรรมนี้ สี่นีเป็นสิ่งเดียวที่พระพุทธเจ้าพยายามบอกกับเราเจาะจงบอกเรื่องเดียวสิ่งเดียวให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเธอมันไม่ใช่ตัวเธอนะมันไม่มีในเธอเหรอกนะเธอก็ไม่มีในมันนะจิตไม่ดีมือไม่ตายนะตายก็ไม่มีมนจิตจิตก็ไม่ใช่กายตายก็ไม่ไ่จิตนะมันไม่ใช่คนละเรื่องกันนะอยา่าไปหลงนะ อย่ไปทึกพักเอาแล้วคิดว่ามันเป็นเราเพราะมันเป็นเราปุ๊บไอ้ข้างนอกไอ้น่ะเปรียบอะไรที่ทำให้เราเกิดทำให้เราต้องทุกข์อย่างนั้นทำให้เราต้องทุกข์อย่างนี้ทําหมเราหาตามสุกไม่ได้เพราะไอ้นันเอ้นี่ไอ้นูนเห็นไหมเพราะเราคิดว่านี่มันเป็นเราแล้วมันจะมาโทตัวเองเป็นไปได้อย่างไรมีมนุษย์หน้าไหนชข้โทษตัวเองเนี่ยแค่โยูย่หล้วข้ษตัวเองมันเป็นเร่อี่เง่มันต้องมีสิ่งอื่นทํำเวลารู้สึกเวลาโทษตัวเอง ต่างหากาเราไอ้นี่เรามานั่งโทษคนอื่นตกนะเพราะว่าคนนี้เพราะว่าของนี้เพราะว่าไอ้นั่นไอ้นี่จับตัวนั้นจับตัวนี้แล้เราก็พยายามที่จะทำลายสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์จากภายนอกทั้งหมดถ้าทําลายไม่ได้ทําไงหนีไปเสียงฉันไปดีกว่าฉันอยู่อยู่ฉันอยู่ตรง น, นี้ฉันอย่ามาทําแบบนี้เฉันอย่ามาคุกคือยอย่างนี้ เราก็พยายามที่จะดินให้ร่างกายที่มันสั่นเทนี่ยไปกับเราไปทุกที่เพื่อจะหนีตามทุกที่โดยคิดว่านั่นเปวนเหตที่ทำให้เกิดเป็นทุกทั้งหมดแต่ก็ไม่สำเร็จหนีมากิตธาตแล้วล่าะก็ยังกลับมาไม่มันนยังอยู่เนี่ยหนีไปสวรรค์ไปไหนก็ยังกลับมาเป็นมนุษย์อีกหนีไปโดมาโลกหนกน็ยังกลับมาเป็นมนุษย์อีกหนีลงนรกไปไนก็ยังกลับมาเป็นมนุษย์อีก หนอมานานแค่ไหนแล้วก็ฟังพุบแล้วก็ยังไม่พบผลทางข่งความพน้นทุกข์มันเลยทั้งๆที่เราก็ฟังเขาพิจเจ้าสแสดงอย่างนี้มาไม่ได้จับถือพระองค์แล้วฟังพระอรหันต์พูดอย่างนี้มาไม่ได้จับถื อ, องค์แล้วเหมือนกันต้องจับถือเอาธรรรามาเป็นตัวเดิม น, นะเอาความจรงที่ไปกําลังพบเนี่ย ทุกข์ที่เราต้องเจอเจอเนี่แหละมั น, นเรื่องดีสำหรับเอ น, นะอย่าคิดว่าทุกข์มันเป็นของเ ร, งราไร่จนคิดว่าทำให้เาตาสว่าทุกข์มันย้ำใจให้เราเห็นว่าเองเงอเนี่ไงไอ้ที่เราต้องทุกข์พมันนี่เพราะไ เ, เรามีร่างกายอยู่นี้มันจะเพราะใครนะเมื่อเราจะไม่คิดว่าเาไปดีกับใครเราจะโลกับใครเราจะไปเสมอใครเพราะทุกคนเหมือนกันนะเหมือนกัน ทุกข์เพราะใจร่างกายเหมือนกันโง่เพราะวีร่างกายเหมือนกันหลงใจใจร่างกายนี่แหละทั้ allora. ทงนั้นแล้วก็สร้างความทุกข์กเจริญแลวก็มัวไปโทษชาวบ้างโทคนบ้างโทษสัดบ้างโทษสิ่งของบ้างทำแล้วเจอเงเป็นทุกข์แล้วก็ทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วใครบ้างอยากเป็นใครบ้างอยากเจริญตามทุกข์ใครบ้างอยากจะทนอยู่ไม่มีใคร แต่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ต้นเหตุ้าไมคิดว่าร่างกายเป็นต้นเหตุแล้วก็ต้งองโทดอย่างเอมันเป็นของแม่มีนเป็นประสกติของตาคิดใช่ไะทุกคนคิดเหมือนกันหมดแบบนี้แต่ถ้าเราคิดอย่างพาาาระอรหันต์คิดอย่างผู้รอวลาก็คิดว่าท่านไม่โทษใครท่านโทษเราเนื้ร่างกายถ้าเราไม่โนืมอร่างกายมันก็จัดแรกไม่โยกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์การนี้เราก็มีคามสุข จ็งเป็นที่แล้วตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนักเขียวมันยังไม่ตายจะทำอย่างไรเมื่อร่ า, รางกายมันยังไม่พังลงไปจะทำอย่างไรเราก็ได้อดคิดยัเมเงยเพ้อคบอยู่เสมอว่าเอาเะมันตายแน่มันไม่อยู่ค้างต้าน่แล้วเราก็ไม่แต่สนัจะให้มันอยู่ค้างต้าโดยสั่งทีตีทีวันทะเดินทั้นไม่สนใ จ, จแต่ตันสนใ จ, จยอย่างเดียวว่า มันตายเดี๋ยวนี้ฉันจะไป้นตายให้มันทนฉันจะไปนิพพานฉันจะเป็นดดนประโยชน์ที่แดนว่าต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปความพึงพอใจในความเป็นมนุษยโลกภูมิโลกสวรโลกหมดสิ้นขาดจากใจของฉันจริงๆเวลาคิดได้แค่นี้อยากคิดจะน้อยนะอย่าคิดว่าความคิดเพียงเท่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เคยกาลังปฏิบัติมิสุดยอดของผลของการปฏิบัติ ในการเตือนพระกรามานนะอย่ามองว่าเป็นของเล็กเล็กน้อยๆยที่เธอคิดตัดสินใจอย่างให้อะไรอาวอนไม่เชื่อขนาดจิตหนึ่งเชื่อขนาดเวลาหนึ่งมันจะเป็นของน้อยๆอยของที่ไม่มีค่าอะไรเธอเห็นคนอื่นเขาตั่งทำสมาธิดีโอ้โหเขาเก่งจริงๆริงเขาดีจริงๆเิงเขาทรงอจินญาสมาบัติโอ้โหเขาเก่งเขาดีฉันทําไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ฉันจะไปนิพพานได้อย่างไรฉันไม่เห็นนิพพานฉันจะไปนิพพานได้อย่างไรเล่า เขาไปเห็นจันเร์เฉละเยสวยงามเขาไปกันได้กันไปไม่ได้เพราะโลกปฏิภาณชาตินี้คเห็นเขาทำบนกันโอเขามือสั่งทำบนทำรุ่นทำานท ำ, ทำนั่นเราไม่มีกับเขาเราไม่มีโอกาสทำกับเขาเราคงปฏิภานไม่ได้แลกยุกั น, นะมันเป็นคามคิดที่เชิงเชยมาก ถ้าพ like ูดภาษาอย่างคนลุกตุ้งลุกตุ้งก็พูว่าอะไรรู้ไหมเงาบัดซบนะแล้วคิดกันนะถ้าจะเชื่อพระพุทธเจ้าต้องคิดอย่างที่เป็นพูดตั้งแตใดที่ทุกข์มันมากระทบผิใจให้เห็นว่าเพราะเป็นร่างกายนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายติดของเราก็จะมีความโปร่งสบายแล้วเราจะคิดก็ิด สิ่งทีเป็นสุขเมกถึงสุ่งที่เป็นสุขก็จับอยในใจเราง่ายสิงนี้ไม่ต้องให้ครมายืนยันในคําพูดของฉันหระเธอมันแหะยืนยันตัวเองได้ ว, ดว่าจริงยามใดที่ใจของเรมัน้นจากร่างกายนี้ได้ถ้าคนที่เริ่มมโนไม่ได้จะรู้แล้ว่ามันชัดเจนมากมันคนละเรื่อคนละโลกเมื่อเราอยู่คนละโลกกับคามคิดความความรู้สึก ใ, ในใจเยเลย แต่เมื่อเราดูกลับไปอาร่างกายนี่มันก็คละโลกเหมือนกันมันกลับมาเจดานรกอย่างไรอย่างนั้นแต่เรไม่สามารถแยกแบบนันได้ลยแล้วก็สังเกตจากเมื่อใดที่ใจเราเรรู้สึกโตรสบายจิตเรอเราจะเื่ออะไรมัมีความสุขไหมเวลาิมันโตรมันสบายมันจะคุยมันจะหัวเราะมันจะร้องเพลงมันจะทำน่นทำนี่รู้สึกมันคลิ้มเคร่งรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมกับความสุบไปด้วย เออยากทำเนี่นอยากทํานี่อยากคุยกับคนนั้นอยากคุยกับคนนี้ทั้งๆคนนั้นเคยเป็นปโสตุก็เ้วก็เหมื่คิดเป็นปโสตุกับเขามันคิดใจเองมันวางใจได้เองมันไม่กลับไม่กรอบไม่เกลิดมันกลับมีจิตใจเมตตาสงเคฆ์ตถาภนะดูกับเขาเองนี่เป็นเองอัจฉริยะนะไม่ต้องจุดไม่ต้องมานั่งพิจารณาทําไมฉันต้องดูกับเขาทําไมฉันต้องพูดดูกับเขาทําไมฉันต้องยิใจดีกับเขาทําไม เรื่องหาเหตุแบบนี้ไอ้ที่เรเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าจิตมันอยากจะคิดชื่ออย่างนี้หรอกนะแต่ราะเราคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นของฉันเป็นดววของฉันแล้วมันทำํำให้ติตของเรากระสับกระสายไม่มีกําลังเพียงพอเรวสมาธิของเราอ่อนปัญญาเราอ่อนเมื่อมันอ่อนอย่างนี้ได้เกินไปแรบงบของร่างกายมันเก็บ ห, ห, หนักเข้าจะไหวไหม มีลองเผืออนาคตคงเจอได้บ้างนะเวลาเนี่ยมันยังไม่เจ็บแรงหนักเท่าไร่แต่เวลาข้างหน้ามันไม่ได้คนที่มาที่นี่มาเดินกิล้ตายเป็นหนึ่งคนร่างกายก็ตายเป็นหนึ่งจะจิตก็เคลื่อนออกไปกไปเการลังกัตอดตะวันเขมานั่งอยู่ตรงนั้นมากับภรรยากับลูกสาว ตายหลังวันที่เราไปได้เงวันเดียวก่อนหน้านั้นนีนเขามี จ, จิตใจปัญหาเดี๋จะไปพระธาตุได้เพียงกับพวกเรามาลองรับกนแล้วอะไรก็แล้วทาน่นทำนู่เลียัอย่างใจเจ็ใจเจ็บฉันต้องไปให้ได้ฉันจะไปถึงพระธาตุได้เพีงนฉันอยากจะไปไหว้พระสิ่พระธาตุไ้เงให้ได้ใ จ, จ, ไไ ค, ใใจคิดแค่นี้จิตไม่ไดนคิเอง่นั้ร่างกายมีความทุกขเ ว, นวทนาเสียแทงอยู่อะไรไม่ั เลาิ้อปนามนมรยาก็บอกว่าตไม่ได้กี่ก็เาอาี่อมอก็บอกว่าเยอะคอยปลุกฉ น, นะคอยปลุก น, นะ่ปลุ ก, ก น, นะเดี๋ยวหาหลงี่นจะดงสวงที่าปาดงปลุก น, นะเขาก็ยงังเติมไม่ใช่ะยะรยะรยะด้วยควากลัลวว่าจะไม่เติมไม่เติม แล้วก็นั่งทำสมาธิของเจาตจริงๆเขาเล่าให้ภรรยา้ฟังคนมาก็เห็นหลงพี่ฉเห็ที่นั่นนี่นั่นนก็เป็นมารดาก็ามาแทนแบบนี้เ่าแม่มาแทนจะแล้วกันนะลกมาไม่ได้ร่างกายมันไม่ส บ, บายอย่าไปเลยนะแล้วเขเข้าโรงพยาบยาลโดยจะเป็นพยาบาลตอนก็คิดกอจากลา เราทุกคนก็มีโ อ, อกาสจนอย่างเขาเพราะเราเขาก็มีร่างกายเหมือนอย่างเรามาแล้วตอนนี้ร่างกายก็จุกเอาไว้ในหลงจิตก็ไปอยู่ในที่ชั่วตนเองมีความติดติชื่นชื่นใจในบุญถ้าจิตเกาะบุญก็ะสิ่งที่ต้องการจะไป ท, ทาบุญทําตามดีถูกไหมถ้าได้จิตผ่องใสอย่างนี้ไปสวรรค์ได้ไหมถ้าตั้งใจได้ถ้าจิตผ่องใสพระพิฆ า, า ก, กับอย่างนั้นว่ะ สุขคติปจิกลางขาอย่างนี้เป็ น, นต้นนะปจิตผองสายไปสวรรค์ไปสุขคติแต่ถ้าจิตเจ้าหมองเข้าไปสุขคติปนารกได้เน้แต่วะก่อนตายเนี่ยเราต้องจึกเอาไว้ว่าเราต้งตายแา้คิดเอาไว้เลยว่าเวทนาแต่ร่างกายมันจะได้งานอะไรด้วยวิธีแบบนั้นเราไม่สร้างมันจะขอให้เราสบายให้ต้องถือว่าถ้าเรามีบุญโชคดีว่าเขาไม่ตั้งใจจุ ด, ด, ดเป็นบุญกุศลและบุญใหญ่ เป็นวิาาเคราะห์ตั้จจะไปไห้พระไปถวายพระกับพวกเราไปที่ตพระไปจงกับพวกเรามันเป็นบุญใหญ่ที่เขาทําแล้วก็ทําต่อเนื่องือตามตั้งใจบุญใหญ่ววมันทำให้ทุกขเวทนาที่มันควรจะเจ็บมากๆมันคลายตัวทำให่จิตของเขาพอจะมีอิสระได้ถึงบุญได้ไม่ถึงความดีจับใจได้แต่ถ้าอากุศลกรรมมันหนักและเขาไม่มีกุศลผลและบุญอันใดที่ไปประคองใจขเขาไว้ละ มันจะเสียดแทให้คิดแต่เรื่องที่กังวลกับเรื่องโรงเรียนที่เขาเป็นผู้ดูถอยจัด ก, นนกงงารดำเนินการโรงเรียนที่เขาสร้างเขาไว้ทําไว้มันเป็นภาระที่ต้องแบบภาระแล้วก็แต่เรื่องนั้นก็ต้องห่วงลูกโ่งเมียห่วงนั่นห่วงนี่ลูกตงังอายุยัไม่มากเลย67ขวบถึงหรืเปล่าก็ไม่สร้างนี่แหละนะสัางไว้มันเป็นการจริงที่ เพื่อนล่มเกิดจากจิตาจที่เพื่อมานั่งที่นี้แล้วก็การังกับเลาไปแล้วเรื่องออกไปแล้วจากร่างกายจิตเป็นอิสระสบายตอนนี้สบายไปไหนมาไหนสบายฟังรื่พูดก็อยู่ตรงเนี้ยสบายไม่ต้อง น, นั่งปวก้นไม่ตอนน้องกังวลเรื่องนั้นไม่ต้องคิดเรื่องนี้คิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลอย่างเดียวสบายเห็นไหม ทีดเพื่อมองไปได้กุศลอย่างเดียวไม่มีเลยอกุศลเข้ามาให้ต้องคิดอะไรเลยเห็นไัมแค่รู้รื่องว่าอะไรจป็นสตของเธอที่ทําลายความสุขของเิอจำไว้นะอย่าชื่อไปตำหนิโทษสิ่งอื่นมองสิ่งอื่นว่าทำให้เธอเป็นทุกข์นะเมื่อครบคราใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งใดก็ตามจากคนจากสัตว์จากสิ่งของ จะมาว่าไม่น่าเลยเราไม่น่ามีร่างกายไม่น่ามีมันถ้ามันไม่เสียดแทงเราให้กระสับกระสายความคิดของเราคงไม่คิดกลัวไม่คิดกระสับกระสายไม่คิดอยดขั้นให้เป็นสดิกจิตเจียงไคไม่คิดอยู่ขั้น ใ, เ, น เ, นใเราเป็นยุคถึงเรื่องนะั้นนึกถึงเรื่องนี้ที่ทําให้เราเป็นยุคมาในการก่อนสัญญาซตามที่เป็นอกโกเสลกรรมมันคงเมุดทะลุขึ้นมาปรากฏในใจของเราตอนนี้ถูกไหม แต่ถ้าจิตของเรามันไม่มีร่างกายแล้วมันของสายนาโรลานั้นมันก็เป็สัญญาที่ดีๆสัญญาที่เป็นโกศมันมาปรากฏสว่างโดยกลางใจเราแทนนั้นเขาว่าสัญญาคือความจกของจิตมันจะเป็นดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่เพรจิตมันอยากจะคิดไม่ดีแต่มันเป็นเพราว่ามันอยู่ในร่างกายที่มันไม่ดีชัดเจนไหมฉันพยายาที่จะพูดให้ง่ายที่สุด ให้ตัวกลางมันจาะจชัดๆว่านี่นะเวลาคิดเวลาทิศมันนากรนั่งทำสมาธิชุดอย่างนี้นให้มันจบก่อนให้เรารู้สึกว่าเราวางใจได้เราไม่กังวลละเราขอนั่งสงบๆพอใจมันไม่กังวลปั๊บบุญมันก็เกิดนึกถึงพระก็นึกง่ายไม่ถึงคํามภาวนาก็จับอยู่ในจิตจะเดงสติดออกด้วยกําลังอัจฉริยะก็เป็นของสะดวกสบาย ทำอะไรก็เป็นของไงไม่ถึงเดือนเกิดก็นึกง่ายภาวนาก็เสร็จแน่นอย่างสบายใจร่างกายช่างมันเดีิวก็ช่างมันดั่งในไรนอนไม่ขากรยุดเ้าไม่จําเป็นก็ไปกํงวลแต่ร่างกายมันมันอยู่ท่าไหนช่างมันมันอยากจบอยากจบช่างมันถ้าระงับทุกข์เขลาภาวนาได้ก็ไปทำเลยฟ้าทำเวลานี้ระงับเระดับต่อยนั่งช่างนั้น ตัขนาดจิตหนึ่งเวลาหนึ่งก็ยังดีดีว่าเรายังมีจิตที่ยังไม่เป็นอกศุศ ล, ลกรรมครอบงำอยู่จิตของเรายังเป็นกุศลอยู่ดีไหมดีตายเวลานั้นเราก็อย่างน้อยก็ไปสวรรค์เอาล่ะการเวลาก็พอเหมาะพอควรนะเดี๋ยวจัดนั่งนานเกินไปมันจะเป็นที่ดุขั้นจิตใจของเราหนักนะนะ อเออแต่มาตั้งใจไปชื่นชมกุศพลพ้อมกันนะนี่แล้วก็มองไปที่สุขผลนะจะสำนึงใจที่เราได้ตั้งใจทําได้เราได้มีความระลึกลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอวอามสุขของเราเนี่ยมันเกิดง่ายถ้าเราไม่สนใจร่างกายหรือถ้าเราไม่มีร่างกายเรายิ่งมีความสุขที่สุด แล้วเมื่อดที่เกิดความมีกุศลไมเป็นสุขความสุขของเราจะมีมากแค่ไหนเราก็สามารถไปยังประโยชน์ให้เกิดกับคนที่เรื่องรักตัวนักก็ดีเกิดคนที่เป็นเจ้กรรมในเวรก็ดีเกคนที่เป็นเพื่อรักของเราก็ดีจะรับประโยชน์จนเม็ดจนหน่อยเมื่อเวลาในขุนศุนย์กุศลเขาคิดอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราได้กระทํามาเนี่ยเราทํำด้วยใจอันบริสุทธิ์เราทำด้วยสติปัญญาที่เห็นความจริงแล้วว่า หากเราไม่มีร่างกายเราคงจะทําได้ดีกว่านี้ท่านคงจะมีผลดีมากกว่านี้แต่นี้ข้าพระพุทธเจ้าโดยการทำตามดีได้เป็นที่เท่าที่สิติปัญญาและสังขารที่จะเอื้ออํานวยให้ขอท่านทั้งหลายนท่านทั้งหลายที่รักษาแบบนี้ท่านจงมาโลกอนงค์ธนายุบยูโดยเถิดอีกทางบนระพลังบนระบุนได ผู้ข้พเจ้าทั้งหลายได้ดำเพลแล้วณโอกาสนี้เขาออี่ส่งกูตนี้ให้แต่จ้ากรรมในเอนทั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคอยท่านทั้งหลายจงโมทนาจงโอโาหตาุ ก, กรรมให้แก่ข้าพเจพา้าตั้งแต่บัดนี้ กราบท้าข้อสุระนิพานและขอสุกสุขกุศลนี้ให้แก่ข้พเจ้ า, จ า, า, าทั้ทงหลยาย เ, เพื่อสากราชพิภพพะยำยมราชขอเ้าพเจ้าทั้งหลายและพะยำยมราชเปรดมรรนาเปิดเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศนของข้าพเจา้า ใครั้งนี้ด้เปิดและขอที่สงกุศล น, นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีดุจญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงเวทนาเป็นวรประโยชน์ความสุขเช่นยกับข้าพเจ้าจงเป็นว และการระบัดเกี่ยอนี้เกิดผลละเบนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดำเพ็แล้วณโอกาสนี้ขอผลละเบนนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเป็นพระนิพพานในภาพปัจจุบันดโดยทอืม อาราหังสัมานตุทโภพวางุังวันตังอะตุาโตมิตบะข้าโตขะวตาตมนาังนัมมสะมิสุปัติพันโนขะวโตสาวกสโ ตั้งทางละมามีเนี่ยโฆษาทุกคนนะ